มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2512ประเภทรับตรงรอบ2โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวสเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ w วบ ดอทแอดมิช s ั่นดอทอ t รหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโทรศัพท์02 287 9625ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคม2512ทีดีรัสแสงวุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน รอฟมอแจ้งเบี่ยงการจราจรช่วงอาคารจอดแล้วจอดสถานีลาดพร้าวระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง30กันยายน2562การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอแจ้งว่าบริษัทซิ น, นไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวหนึ่งช่องทางซ้ายชิดทางเทา้าบนถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าบริเวณอาคารจอดแล้วจอดสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินถึงบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวระยะทางประมาณ250เมตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2562เวลา22นาฬกาถึง4นาฬกา โดยมีผลให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้หนึ่งช่องทางเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำารงผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่02 610 4915และ098 257555 5ราฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี